ข้อความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแตลร่ลมปปติยานกำลังนำเสนอข้อความในมารถีตุสูตรในสังยุตตินิยในมารถสังยุตนะฮะถึงตอนที่นางตนาราคาราจีผู้เป็นธิดาของวสวรติมานเข้าไปอาสาพ่อ เพื่อจะไปนำพระพุทธเจ้ามาให้อยู่ในอำนาจของพ่อโดยเธอเองก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเป็นใครเะคนัแต่รู้ว่าพ่อผิดหวังในการตอ่อสู้ในการที่จะดึงเอาผู้ชายคนหนึ่งมาไว้ในอำนาจันเธอจึงเสนอว่าข้าแต่พ่อท่านมีความเสียใจด้วยเหตุอะไรหรือเศร้าโศกถึงผู้ชายคนไหน อมฉันจะผูกผู้ชายคนนั้นด้วยบ่วงราคะนามาถวายเหมือนบุคคลผูกช้างมาจากป่าฉะนั้นบุคคลนั้นจะตกอยู่ในอำนาจของคุณพ่อทายมานก็กล่าวกับลูกสาวคือนางราคาว่าชายนั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ดำเนินไปดีแล้วในโลกไม่เป็นผู้อันใครๆพึงนำมาด้วยราคาได้ง่าย เพราะอะไรเพราะท่านก้าว่วงบวงมานไปได้แล้วเพราะฉะนั้นพ่อจึงเ้าสุขมากเ อ, อประเด็นที่น่าจะทําความเข้าใจนะฮะประสมนี้ที่จริงเป็นการสะท้อนธรรมะที่เป็นรู ป, ปรธรมปรมธรรมะสองฝ่ายนะฮะคืออกุศลกับกุศลที่สมบูรณ์เป็นโลกุตระกุ ศ, กศลลักษณะของโลกกุตระกุศลที่แสดงไว้ในทีน่นี้ก็คือหนึ่งเป็นพระหัน สองดำเนินไปดีแล้วในโลกแล้วก็ไม่เป็นผู้อันใครๆพึงนามาด้วยราคาได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะก้าวล่วงมานไปได้แล้วแต่ว่าคนที่เป็นมารเนี่ยยังมองคนนั้นเป็นศัตรูที่ตัวเองจะต้องทำลายลาย้างทำลายไม่ได้ก็รับแค้นกครับแค้นก็ชักศุก เันไอ้ความเศร้าโศกเนี่ยที่จริงเศร้าโศกเพราะริษยาในความดีของคนอื่นมันเกิดจากอาการของโลภะโทสะโมหะต้องการจะเอาพระเจ้ามาไว้แนวหน้าแต่ก็ทําไม่ได้ก็เลยก็เศร้าโศกประเด็นแรกคือความเป็นภ า, าระหารันคําว่าอาราหันนั้นที่จริงเป็นคําที่คนสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่หรอก ประกรอบของคำว่าพระอรหันต์น่ะเป็นยังไคงคำว่าพระอรหันต์มัน ก, ก็มีอยู่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติมามีใครทําอะไรแหลมๆขึ้นมาก็นึกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วแล้ก็ยุ่งกันไปหมดเลยเพราะมากในเครื่องวัดเนี่ยมันไม่มีเกณฑ์กําหนดไม่มีเกณฑ์กําหนดความเป็นพระอรหันต์เราดูตัวอย่างในบ้านเราก็ได้นะนับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่ปุยตายาย 2,000 ทลายละ 2,200 กว่าปีแล้วนะฮะนับตั้งแต่พระโสนาปรุรุรานระพุทธศาสนาเข้ามาแต่ถ้าเรามองย้อนไปตั้งแต่หลัง14ตุลาคมไปต้นมาเนี่ยมันก็มีการเป็นยุคยุคที่เกี่ยวกับศาสนายุคหนึ่งที่มีเกจิกอาจารย์ที่ปลุกเสกกันดังทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ออกหนังสือเป็นเล่มๆหนังสือที่เกี่ยวกับท่านเหล่านี้จะเยอะเหลือก มีแต่อิทธิปาติหารเป็นเกจิอาจารย์เป็นพระอริยะสงโฆ์เกลื่อนบ้านเกลือ่อนเมืองไปหมดแล้วก็ต่อมาก็ซาไปออกเป็นอะไรล่ะทรงเจ้าเข้าผีเครื่องรางของขลังเวทมนตร์คาถ า, าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อต่างๆออกมาในทางครัง้งๆในการต่อมาก็ตืนพระอริยะกันเป็นการใหญ่ได้ เราเห็นว่าอย่างน้อยคนที่ดังๆสองคนที่อยู่ในธรรมเนียบพระราหันเจ็ดคนมันก็เกิดเรื่องอยู่สองคนเป็นอย่างน้อยนะฮะคือนิกนกรกยันต์ตะอยู่ธรรมเนียพระราหารันสิบรูปของโลกนะไม่ใช่ธรรมดานั้นก็แสดงว่ากระแสรสร้างปลุกเร้าจนคนสับสนไปหมดเลยวันก่อนนี่มีคนส่งหนังสือมาให้อัตมาแต่ยังไม่ได้อ่านเพราะมันพอเห็นแล้วมันหดหู่ บอกชื่อนามสกุลวันเกิดปีเกิดของตัวเองเสร็จแต่เสร็จแล้วจัตสรู้เมื่ออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มีหนังสือนำกํากับมาคือแกไม่เข้าใจเรื่องการจัตสรู้เรื่องการเป็นพระอรหันต์คำว่าจัตสรู้นี่เขาใช้กับใครเขาใช้กับคนที่เป็นอรหันตและสมมาสมบุท ธ, ธะเท่านั้น แต่ถ้าบรรลุมรควลเนี่ยใช้กับพระอริยบุคคลได้แต่ว่าในยุคที่มีศาสนาพุทธปรากฏอยู่ในโลกเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่ได้และการจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องประกอบด้วยความสมบูรณ์แห่งอังคาปยกพุทธสริยก่อนคือร่างกายจะต้องเกิดในสกุลพราหมณ์หรือสกุลกษัตริย์แล้วต้องสมบูรณ์ด้วยมหมาปุษสาลักษณะสามสิบสองประการ ไอ้นั่นคือเป็นนิมิตหมายว่าโอกาสต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นนะฮะไม่ใช่เป็นอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออาจจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ทีนี้สมมติว่าคนอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกยุคนี้นะมันก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกก็มีประตูเดียวคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะว่าเป็นอาถานะคือเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าสององค์จะบังเกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกันในขณะเดียวกันนี่เป็นไปไม่ได้ เมื่อศาสนาพระเจ้าองค์หนึ่งยังปรากฏอยู่เนี่ศาสนาพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจะปรากฏขึ้นมาไม่ได้อนะั้นคือสูตรเลยคือสูตรมันเป็นกฎทีนี้ความเป็นประหารในในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยคือเราไม่เข้าใจอนะคนทั่วใหญ่เนี่ยจะไม่เข้าใจคือยังนึกถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทั้งสิ้นไปแล้วนะะเป็นระดับสังกรัรชท่านก็ประรบว่ามันไม่รู้จะเวรกรรมอะไรนะ คือใครที่ทำอะไรเพียเพียนๆเกือบประราชิกไปนะมันจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วเราก็ไปแตะไม่ได้ด้วยสิไปพูดจาที่แจงเหตุผลอะไรไม่ได้หรอกลูกศิษย์ก็โกรธตายเลยนั่นคือสิ่งที่สังคมไม่เคยพิจารณาสรวสอบในเรื่องดอกนี้เรายกประอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างพระพายยะทรุจิอยะ ก็เป็นพ่อค้าวันนี้คนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็พอดีไปค้าขายแล้วเรือแตกโดนคลื่นลมก็เรือแตกก็ไหว้ก็หาฝั่งผ้าผอมก็หลุดร่ยหมดก็นุ่งผ้าแบบแบบแขกทุกวันเนี่ยนะผ้ามันก็หลุดง่ายพอขึ้นมาบนตลิ่งมันก็ไม่มีผ้าจะนุ่งท่านก็เอาใบไม้เอาเปลือกไม้อะไรแต่อะไรมาร้อยปิดบังในอวัยวะที่ควรปกปิดเขา คนก็ตื่นเกิดเป็นการใหญ่เนึกว่าพระอรหันต์ว่แห่กันมาสักการะบูชาห้อมล้อมก็เป็นการใหญ่ทนะ่านพร ะ, ระรม ส, รบ ม, รสมบูรณ์นี้ที่อยู่มีอาหารมีอะไรทีนี้ท่านก็เห็นว่าการที่คนยอมรับท่านออเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านเพราะท่านไม่นุ่งผ้าวันถ้าท่านนุ่งผ้าเนี่ยท่านจะเสื่อมทันทีเลยแล้วท่านก็อยู่โดยไม่นุ่งผ้าอย่างนั้นเนี่ยทนร้อนทนหนาอย่างนั้นเน่ยเพราะต้องการจะได้สถานะภาพความเป็นพระอรหันต์ หรือแม้แต่ท่านปูวนคกคสปะซึ่งเป็นคณาจารย์เจ้ารับชีคนหนึ่งในรับชีทั้งหกก็เหมือนกันนะนะับคือเป็นอุบัติเหตุเฉยๆท่านเป็นทาสคนที่หนึ่งร้อยเป็นทาสเรือนเบี้ยนะฮะเป็นคนที่หนึ่งร้อยเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นโลเล็กมงคลเจ้านายก็ไม่ได้ใช้งานแบบทาสต่อไปไหนก็นําไปด้วยกันไปเที่วยวอะไกันเป็นเด็กรับใช้ติดตามไป มันหนึ่งก็ได้จังหวะแกจะหนีนาเห็นถ้าไม่ดีก็จับผ้าเอาไว้ผ้ายาวนะฮะผ้าโทจีที่แขกเขานุ่งเนี่ยมันยาวแกก็วิ่งผ้าพรนก็หลุดนายก็ไม่วางแกก็ไม่หยุดนะผ้าก็หลุดหลุดแกก็วิ่งแกจะไปเจึงไปคนก็ตื่นเต้นโอ้ยพระอรหันมาแล้วอรหันมาแล้วก็กลายเป็นอรหันขึ้นมาเพราะว่าไม่มีผ้านุ่งดังนั้นเองเอานี้คนหน้าตาบูดมันก็มีรัชนาอย่างนั้น ไม่นุ่งผ้าเอ้าคนคนนีกว่าท่านเป็นพระราหารที่หนักไปกว่านั้นคือจำปุกาชีวกนะครับปกาชีวกเนี่ยกินอุจจาระยืนขาเดียวบอกว่ามีลมเป็นอาหารดูห้าสิบห้าปีก่อนพระพุทธเจ้าจะไปโปรดคนก็ตื่นมาบูชาสักการะกันมาขอร้องเพื่อจะทำบุญขอให้การุณาฉันอาหารที่เขาต้องการบุญหน่อย แต่ก็ไม่ฉันนะเพะฉันไม่ได้มันเป็นวิบากกรรมอยู่ฉันนะอาเจียนออกหมดก็ต้องเอาใบรรยาคาปลายาคาในจุ่มอาหารแตะที่ลิ้นนะเพื่อให้คนรู้สึกว่าตัวเองทำํำผิดเห็นไหมนัม่นคือกรอบมันไม่มีเลยบางคนท่านก็คิดเอาใครมะเป็นพ ร, าาระอรหันต์ล่ะแล้เครื่องมือตรงนี้มันกลายเป็นเครื่องหลอกสังคมมาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันเรื่งนี้ปัจจุบันเนี่ยมีพระพุทธเจ้าในเชื่อไหม คนอ้างตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วมีคนไปกราบสักการะบูชานับถือตลอดทั้งพระสมองค์พระเจ้าก็ยังไปกระเขาอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าอยู่อย่างน้อยตัวเนี้สองแห่งอ้างตัวเป็นพระโพธิสัตว์พระศรีอานโพธิสัตว์อ้างเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อต่างๆเสด็จมาจากสวงสวรรค์เยอะไปหมดแล้วคนก็แห่กันไป เพราะอะไรเพราะมันไม่มีกรอบในการพิสูจน์ตัดสินแต่สังคมมันมีความอ่อนแอมีความโง่นําหน้าอยู่ตลอดมีความโง่กับความกลัวเนี่ยฮะมันนาหน้าอยู่ตลอดพรานพระหารในยุคสมัยตรงนั้นแล้วแม้แต่ว่าตอนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะยังมีคนเข้ามาบวชเพื่ออาศัยสั ญ, ญลักษณ์ความเป็นพระหันแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพมีพระหันตุ่มพระหันยันตใส่พระหันอะไรอะไรเยอะเลย แต่๋วยวพุทธเจ้ากับพระหางกับปัญญาอธิบายชี้แจงคนก็ไปอีกแล้เพราะว่าในขณะที่เขกำลังดังในพูดไม่ได้นะผู้เขาหาว่าริษยากันในพระริษยากันกลัวคนอื่นจะดีจะเด่นจะดังกว่าตัวเองเพระ้าก็ต้องนิ่งนะพูดไม่ได้เพราะว่าพูดแล้วมันเป็นโอทภัย แทางบ้านเมืองเองก็ข้าคารบอย่างเกรงพวกที่คุยูอย่างนี้เขาก็รอย่างเกรงนะมีลูกศิษย์เป็นนักการเมืองใหญ่เป็นแบ็คยู่เยอะเลยนั่นคือคือโลกมันก็เป็นอย่างนี้เองแต่ทีนี้พอมาถึงพระพุทธเจ้าศัสรุขึ้นมาเนี่ยมันก็พิสูจน์ไดยอย่างเห็นแม่พยายามมาในสะท้อนภาพลักษณ์มันเป็นกรอบให้เห็นนละถ้าเป็นพระหันก็เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันก็ยืนยันได้ตลอดอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ใน ตอนี้วิ้าส่งเปล่งอุทานแสดงเรื่องพรามนะฮบุคคลใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแล้วไม่มีเขตกิเลสเป็นเครื่องกูบุคคลอื่นว่าสื่อซึ่งเป็นคำายาบมีกิเลสดูดน้ำฝาดกระจัดออกไปแล้วเป็นตนน้นก่อนหน้ก็เรียกว่าพรามเพราะนั้นคาว่าพารามหันเนี่ยในพระพุทธศาสนาจึงต้อง เกิดขึ้นจากการหักกำรรแห่งสังสารวัชยคือไม่มีกิเลสไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีเวทานาไม่มีกรรมจากปัจจุบันเป็นต้นไปนะจากบรรลุพระพุทธเป็นต้นไปเอกกรรมในอดีตก็ยังมีนะกรรมในอดีตชาติไปยังตามมาให้ผลได้แต่กรรมจากขณะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์นี้ศัสรูเป็นองพระุทธจารย์นี่ไม่มี ก็ละได้อวิชชาดับสังขารดับสังขารดับปัญญาดับปิญญาดับนามรูปดับก็ดับไปเป็นแถวแล้วก็เป็นผู้ไกลจากกิเลสไม่ว่าอะไรก็ตามมายั่วยุมายั่วยวนมาปมคูมาคุกคามมาล่อลวงโดยผลประโยชน์ต่างๆนี่จิตใจจะไม่หวั่นไหวก็ดำเนินไปดีแล้วในโลก เป็นเสด็จมาดีเสด็จอยู่ดีเสด็จไปดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลเ่านั้นเป็นคุณลักษณะของพระอาหารหันต์ที่ถือว่าเป็นเอกบุคคลสุดยอดของเอกบุคคลก็คือพระพุทธเจ้าอย่างที่ทรงแสดงว่าเอกบุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นในโลกแล้วบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาดาและมนุษย์ทนหลายเพื่อเป็นผูน้อนุเคราะห์ต่อดชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ต่างหลายเอกบุคคลนั้นคือพระหานัสสมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้พระนามวาสุกโตแปลว่าเสด็จไปดีแล้วก็หมายความเสด็จมาดีแล้วเสด็จอยู่ดีแล้วเสด็จไปดีแล้วเพราะว่าได้รับพ้นจากอํานาจของกิเลสอย่างแท้จริงคนเหล่านี้มีความสมบูรณ์ด้วยปัญญามีความสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ มันไม่มีเชื้อของราคะโทสะโมหะอะไรอยู่เลยผลบวงคือราคะเนี่ยมันจะนำท่านมาไม่ได้รูปจะสวยยังไงสมัพระพุทธเจ้าก็คือศพก็มองธรรมดาเหมือนกับผู้ใหญ่ที่มองเด็กเล่นตุ๊กตาเนี่ยไม่มีความยินดียินได้อะไรผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะมากหน่อยนะฮะ เราล่วงบวงแห่งมานได้แล้วไอ้นี้ก็คือว่าเมื่อกิเลสมันหมดในบวงแห่งมานมันมีนะบวงแหวนเนี่ยมันยังมีอยู่ในโลกนี่แหละใกลไปทำอะไรมันไม่ได้หรอกแต่ว่าใจเนี่ยมองผ่านจริงตรงนั้นไปไม่มีความยินดียินร้ายอะไรบวงมานคืออะไรบวงมานก็คือก็คือกรมมคุณทั้งห้านั่นเอง เรานับให้เขาบอกก็ได้นะฮะ ร, รูปเสียงกีนโนต์ปุตตะพัทธรรมรรมที่ใจคนไปกําหนดว่าน่าใครายน่าปรารถนาหน้าพอใจมันจะเป็นบวงสําหรับเราหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่เราไปยอมสยบมันหรือไม่นะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันเป็นบ่วงของเราเห็นไหมว่าเหล้าเนี่ยมันก็เป็นกิเลสการมไม่จะเป็นวัตถุครรมอย่างเด็กแต่ว่าคนต้องมีโลภะจัดแล้วก็มีโมหะจัดนะฮะจึงไปดื่มเหล้ายาบ้ามันก็เป็นวัตถุกรรมอย่างได็ก แต่คนที่เสพยาบ้านี่ยต้องโง่มากๆากนะฮะต้องโลภมากมากเลยธรรมเนียาไม่เสพหรอกแล้วมันก็เป็นบ่วงมานสมับเขาสมับคนที่โง่จัดแล้วก็โลภจัดไม่ได้ใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้เหตุผลในการคิดในการมองอะไรนะอาจจะเสพยาบ้ายาบ้ามีเยอะไปแต่คนก็ไม่ไเสพทั้งหมดเพราะวัตถุกรมเนี่ยมันเกิดจากการกําหนด ยึดคนไปกำหนดเอากำหนดให้กำหนัดนั่นก็กำหนัดกำหนดให้ขัดเครืองเมื่อเกิดขัดขัดเคืองกำหนดให้รุ่มโลงเมื่อเกิดความรุ่มลงย้อวันก่อนเนี่ยหลวงพ่อปัญญาณตะท่านพูดท่านพูดภาษาใต้ก็คำเดียวงันหรือท่านบอกว่าไอ้โรคเอจนี่มันมาจากโรคอนะคนใต้ก็ฟังรู้เรื่องหมายความว่ายังไงหมายความมาจากจิตที่มันกำหนัด มันมีความต้องการในทางเพศแล้วจนถึงก็คุมใจไม่ได้มันไม่ใช่ต้องการทางเพศเฉยๆถ้าต้องการทางเพศเฉยๆมันไม่แปลกก็อย่าสับสนด้ใหญ่ามากเกินไปก็มีสามีมีพัญญาก็ตรวจโรคกันให้เรียบร้อยแล้วก็อยู่กันโดยปกติสุขนะใครก็ไม่ ส, สับสนทางเพศมันก็อยู่กันได้มันไม่มีเราโรคเอสด้วเพราะเป็นโรคที่ถือว่ามาเร็วมาเป็นพายุบุกแผ่มาเลยแล้วรู้เร็วนะ รู้ที่ไปที่มาเร็วโรคมาเร็งเนี่ยจนเดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้มาจากไหนอ้างกันนักวิชาไอนักวิทยาศาสตร์พวกแพทย์ทั้งหลายนี่พูดกันพูดกันแล้วพูดกันอีกก็แค่จริงมันก็ไม่รู้มาจากไหนมาเรี ย, รยหายไปนานแล้ววันนี้โผล่มาแล้วมาแรงอีกแพทย์ก็งงเต็มเลยโรคเอทีมาไม่ถึงเจ็ดปีนะฮะรู้หัวรู้หางตลอดเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรู้วิธีป้องกัน การป้องกันได้สาเหตุจะมีความชัดเจนแปดสิบแปดเปรเซ็นตมาจากความสัำซ้อนทางเพศทีนี้พวกเนี้ยมันก็เป็นคือวัตถุการมเอเมนะมันก็คือบ่วงเข้ามาบ่วงของมัก็คือรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องเรากําหนดเราเองนฮะให้เราสังเกตว่ารูปสวยจริงๆไม่มีที่เป็นสากลกลิ่นหอมจริงๆก็ไม่มีรสอร่อยจริงๆก็ไม่มี สัมผัสตีน่าจับหน้าต้องจริงๆนะฮะไม่มีอยู่ในฐานะที่เป็นสากลแต่มีด้วยใจเราไปรู้สึกว่ามีไปกำหนดค่าของมันไปประเมินค่าของมันแล้วก็กำหนัดเพลิอเพลินยื่นชมยินดีอยู่ในเรื่องดองนั้นนี่มีอการนานมาแล้วนะฮะ แต่ว่าเราเป็นคนศึ ก, กษาธรรมะมันก็มองในแง่ของธรรมะนะฮะมองในแง่ของธรรมะเออมันก็เป็นอย่างนี้เองคือทําให้เราชัดเจนในข้อเทพบุตรส่งสั่งสอนมีการประกวดนางงามระดับจั ก, กรวาล น, นะฮะมีนั ส, สุพิมฉบับหนึ่งโจมตีนางงามจั ก, กรวาลคนนั้นจะไม่มีเดียหลังโก่งมั่งอะไรตัวไรบ้างว่าไปเรื่อยตอนก็เป็นนางงามเป็นนางสาวไทยนะฮะเป็นนางสาวไทย ด, ด่าได้เยอะเลย แล้วผลท้ายพอพระเธอไปประกวัดมาจากต่างประเทศได้เป็นนางจักรวาลนะที่ตลกก็คือหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไนดะจัดรถเปิดประทุนไปรับให้ชาอนเมืองแห่มาเลยมางอ่เป็นอย่างงี้เองเหนะ็นไหมมันอยู่ที่อารมณ์ใช่เลยคนคนเดียวกันนะช่วงหนึ่งเรากําหนดไม่สวยงามอย่างนั้นเล่นพักเล่นพวกอากาติลำเบี้ยวว่ากันไปได้เลยพอมาถึงจุดหนึ่งคนคนนั้นแหละจิตใจเราแปลผันไปพริกหน้ามือเป็นหลังเือ ก็แสดงขึ้นอยู่กับจิตเฉยๆจิตมาไปกําหนดโดยความกําหนัดความกำหนัดก็เกิดขัดเคืองขัดเคืองก็เกิดดุมหลงดุมหลงก็เกิดมองมองมองมองก็เกิดเม่อพระพุทธเจ้าท่านก้าวล่วงบวงมาได้แล้วมันก็มีรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรมมลมเหมือนเดิมแต่จิตไม่ได้เกี่ยวเกาะในสิ่งเหล่านั้นนั่นคือเรื่องที่สําคัญที่สุด อย่างเวลาเนี้ยปัญหาในบ้านในเมืองเราเราลองสังเกตเราก็ไม่ถึงกับไปละโบมาได้หรอกแต่ว่าใช้ปัญญากำกับหน่อยได้ไหมล่ะไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อเป็นมื้อเป็นคราวทั้งขาวหวานไม่ใช่ว่าเขาโฆษณาอย่างไงแล้วก็ทดลองทดสอบก็ไปซื้อหากันมา้วยแต่ขนเงินจาไปให้ติดตามประเทศก็รีดด้วย ที่เขาเรียกว่ารถนิยมสูงะ ไ, ได้ตามนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไปอ่อนไหวกระบวกมาซึ่งคนอื่นล่อลวงให้รถนิยมสูงแสดงว่ากองคนเก่งไปเชี่ยวมาอย่างนี้อย่างคาดนิยมที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยเราไม่ช่วยกันรัฐบาลไม่ได้เก่งกาศสามารถอะไรรัฐบาลก็คือคนนั่นนะฮะเราจะมาแก้ได้ยังไงคนภายในประเทศเนี่ยต้องช่วยกัน ช่วยการประหยัดช่วยการอดอมช่วยการขยันทํามาหากินแล้วก็อย่าคนเงินเราอนอกประเทศกันมากเกินไปนะเด็ยมันก็อยู่ในบ้านเราก็คิดง่า ย, ายๆประเทศมันก็บ้านหลังหนึ่งอะแต่ว่ามันคุมยากหน่อยเพราะาคนมันเยอะด้านั่นเองบางคนที่กล้าร่วมวงมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเด็ดบันเทาจิตจากความกำหนั ด, าดจากความขัดเคืองจากความรุ่มหลงจากความบ่มเมา เราก็คงจะไม่ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าเท่าไร่ะฮะแต่ว่าเดินตามเสด็จไปห่างๆโดยเสด็จรอยยุคนบาทไปห่างๆมันก็จะทำให้มีความสงบเย็นเกิดเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจเพราะในความเศร้าโศกของพยามาณเพราะฉะนั้นพ่อจึงเศร้าโศกเนี่ย ม, ม, มันมันเศร้าโศกทำอะไร อธแสดงไม่อใจคนเฉยๆเราลองสังเกตว่าอันนั้นคือสญญารจายานดิดแบบมารตตัวนี้เราพบบ่อยว่าอิสภาพจิตอย่างนั้นมันเกิดจากความริษยาความแข็งดี เ, เกิดอาหางการว่าทุกคนในต้องยอมสยบอยู่ในมือของข้าข้าบอกให้ริษยาเธอต้องริษยาถ้าเธอไม่ริษยาเนี่ยเธอก็เป็นอันตราย อันนี้ถ้าเราดูแลมันก็คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับพ่อพ่อแม่ทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านเนี่ยลูกต้องทำอย่างนงั้นด้วยแต่ลูกไม่ทำเนี่ยพ่อแม่ก็โกรธอันนี้ก็เหมือนกันคือเมื่อมารแกต้องการอย่า ง, ง น, นั้นเนี่ยทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่นอกจากไม่เป็นอย่างนั้นแล้วท่านทำอะไรไม่ได้ท่านทาอะไรไม่ได้คือไม่เคยมีใครหลุดรอดจากอำ น, นาจของพยามานไป พระยามนเดงก็พยองลําพองตามลักษณะนิสัยของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยตนก็เศร้าสุขเขาเรียกว่าอุ ป, ปายาตคือคับแค้นนะ่ะลักษณะคับแค้นใจตูนนิ่งนั่งนิ่งเกอเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพัน์เอาไมา้ขีดแผ่นดินนายันที่บอกไว้ในวันก่อดดนรถว่าขีดไปตั้งสิบหกรอย แต่การเขียนสิบหกรอยถ้าตามที่พระตาอาจารย์เล่าเนี่ยนะมันก็แสดงว่าท่านเริ่มสํานึกเริ่มเทียบเคียงเริ่มประเมินตัวเองและประเมินพระพุทธเจา้าก็เห็นว่าพระพุทธเจา้ามีความยิ่งใหญ่กว่าท่านเหนือกว่าท่านทุกอย่างทั้งสิบหกอย่างตั้งเรื่องบา ร, รมีสิบเป็นต้นเนี่ยนะแลนวในที่สุดท่านก็ยอมสยบเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้พยามารก็ได้นิยามได้ให้กรอบความเป็นพระหันเอาไว้ ว่าพระหานก็คือผู้ดำเนินไปดีแล้วในโลกเป็นผู้ที่ใครๆพึงนำมาได้ราคะได้ไม่ง่ายนะฮะแล้วก้าวล่วงมานก้าวล่วงบวงมานไปได้แล้วนั่นคือลักษณะแต่ลักษณะเหล่านี้อย่าไปยึดติดนะฮะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นปริยายอ่ะ พูดอย่างไงก็ได้สะท้อนให้เห็นปัญญาสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์กาวนาสมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าทางนั้นนะอย่างในพรามมาวาแข่งพระธรรมมาบทมีต้องเท่าไรละยี่สิบกว่าขอ้อทั้งหมดเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระอาราหารรันต์ทั้งหลายดีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ว่าสรงนั้นเรียกว่าพรามอันมานที่มันเกิดจากความเศร้าโศกหลงหายเรื่องในตัวเองเศร้าโศกนะ ตัวนี้ที่จริงมันน่าจะอนุโมทนาชื่นชมยินดีแต่ไพรามานเป็นพวกที่หลงตัวเองแต่ใครไม่อยู่ในอำนาจของท่านแล้วก็ไม่ดีเท่านั้นแต่ถ้าคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยใครที่อยู่ในอำนาจของธรรมะเนี่ยเขาจนุโมทนาทัง้งฝั่งทั้งหลายใต้ร่มประพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี